ลำดับต่อจากนี้ไปเป็นพระธรรมเตสนามหาจาเวสันดอนจารดชวพิเศษชุดสรอยรวมทันชุดสร้อยรวมธรรมกันทีสีวปรปเวทโดยอินสมชัยชมภูปเปลี่ยนทรฮกประโยคนักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไา้นะโมตัสสะภะคะวะโตอาราะระหะโต อสัมมาสัมพุทธัสสะเตปติปะเทอะอาคัตฉันเตมะนุสเสติสาวกุหิงวังกาตาปะปะโตติพุทธันเต ส า, าวูดุราสปอริตาตั้งลหลตั้งหิ้งใจมวนหมูอันนั่งอยู่นำนาจุงจักดาฟังที่อันว่ากาสัตตั้งเสียพระองค์เข้าเดนดงป่าไม้ไกวเตียวไตไกกาหันคนมาไปนา ตนเจ้าฟ้าจริงจะทำด้วยกำง้ำที่ถอยว่าสูใหญ่น้อยตั้งลายก้ยผันภายไปสูหรือว่ารู้แนวรอยว่าวงกดโดยลูกใหญ่อันเราไปไปหาอยู่ไกลกว่าไกลเขาก็น้อมไปตามมีว่าวงกดกิรีดดยใหญ่อยู่บอกไกลเมืองเราแรนา เสนาวุตังเหตุดังอันกถาปันธานาะจื่นเจ้าแหพระยอดซอยเตษนาวาดูราสาริบุตรผู้ฉลาดอันว่าเต้าเวสันตระราชบุญนาน้อสองบุตตาอ่อนน้อยแห่แลงหยอดซอยมันที่เข้าดงรีป่าเศาหันขนไตเต้าไปมา ด้วยม ก, ก้าตั้งใจตนเต้าไทยจริงถามเขาว่าดูราเจ้าเรามวนหมูเขา ว, วงกดอยู่แด่นได้สู่จุงไข่บอกกาวเอรู้ข่าวขีา่าคนนำนามวนมากันเต้าลำบากเตยวไปหลวดน้ำตาไลาขับไมว่าคาแดเตาไทยบุญมีวงกดกีรีไก่มากจักรอดหากเหมือนนั้นแหละนา เมื่อนั่นกุมมานตั้งโกหันยังหมูรุกคาคือไม่น่นาน้อยใหญ่อยู่ตีไกตั้งหลวงหลูกปันพวงห้อยน้อยดอกบานซอยเต็มไพ่ก็มีใจใคขได้ลวดร้องให้สึ่งเต้าตั้งสองเตวาบุตรทองรู้รอดเธอกิ่งไม่ตอดลงมาพอฮัทธาบิดใดพระนอไทยก็บิดเอา เอ้อสององเหลาลูกน้อยส่วนนางยอดซอยมัดที่หันอศจรจันมีหลายหลากจริงออกปากสาธุ ก, การก็มีหันและนาเตโาวตังเหตุดังอันกถาปันธนาอันนี้พระเจ้าจีเตสนาวาญาติปัดสันติปวเนดังนี้เป็นต้น ว่าเมื่อสองสรีกันไทยให้เอาลูกไม้ไปบนพญาตตนเป็นป่อหากเกล้งพอไปมาเทวาดาอยู่บ่อใดเฮกิ่งไม้ลงมาจูหน่อส้ำปัญโยตันต้าหกอนองเนาวบิดเอาหือสององค์เล่าลูกเตาสวนนังหน่อเนามัดที่หันอัศจรรย์มีต่อนา นางนอลาเก่ากำไปว่าอัะจันใจแต่ใสบ่อหอนใดหันมาแต่ข้าวค้าเมื่อก่อนยิ้นควันอ่อนปูนขัวเตจ้าผัวเก่งกาเกิดต่อนาหมด ท, ที่โลกไม่มีสุขมากกิ่งน้อมหักลงมาและนาะตีนี่จักจ่าด้วยหอนต่างไปนาะอันเจ้าฟ้าจักเตีวไปก่อนและนะ แต่เจตุตราณกรไปรอถึงดอยหนอดจือสุวรรณกิรีหนต่างมีไก่โหดใดหานยอดจอยวอยลุกแต่ดอยนั่นไปไปนานาดใดหานยอดสันเดียวถึงหวังน้ําเขียวใหญ่กว้างมีจืออ่างกุนตีมราเตียวมักกาไปนาใดหานยอดจอยวอยก็ถึงดอยอันใหญ่มีจือไว้ว่าอันจะนักิรี หุ่นต่งมีไปนานับว่าได้ห้าโยดดีงามถึงนาลิตันดากามปางจอดทัดนั้นสอดเตียวไปหุ่นตัางไกแต่โสดได้สิบโยดเป็นทราก็ถึงปราราเจตราชเหตนั่นลำดับจากเจตุตรานกรไปบอกขาดถึงเจตาราชปุริจัดนับเตียคบไครนับว่าได้สามสิบโยดกันนา โกเทสตตาตนอง์อาจปาลูกรักราสองสดีและราจมัทีนอนเหนาลัดป่าสาวดงเขียวไปวันเดียวก็รอดเขายัางจอดศาลาย้อนเทวดามวนหมูอันตั้งอยู่ดงขวางยอหนตางหื้อสันหื้อเจ้าเจียงจันไปไว้นั่นแลนะนา เจนะวตตางเหตุดังอันกถาปันธนะเจรจ้อยพระยอดซอยเตสนาวาสังคิปิงสุปทัทยักญาดังนี้เป็นตน้นว่าดุราสารีบุทรพูชาลาอันองอาจด้วยผัญญาเตวาดาววนหมู่อันตั้งอยู่ดงเทียวหันกลุ่มมันเทวบ่ได้เตปัทัทยคุณานะ าาก่อนยอมักกาหือสันหือเจา้าเจียงจันเตียวไพจ้าจากเวียงใจพ่อเจ้าก้อยไต่เต้าผันภายย้ำก่อนง่ายจะรำไปรอดเจตรัรรมย้ำเย็นเมื่ออันและนะะาธรามพังกกาเซนโตศรัทธาฮาศรัทธาสัพปัญญุยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเทสนาวาเตกันตวเตีขามัดท่าดังดังนี้เป็นตนเพข้าเวดุราพิคุทรงตนทารงสินใสบ่อเศร้า ส, า <c oughs> สี่เต้าเจ้าก็สัทธาเข้าดงนาป่ากวางเปืือกก่อสร้างกระตำทาเตียวตั้งนำบ่อโหดได้สามสิบหยดวันเดียวเป็นอันเร็วปันจอดก็ไปจุจอดเจตาราชเวียงใจ เพื่อนใหญ่ใหญ่อย่าถ อ, อยหลังใหญ่ í, น้อยลว ăn, งลายคนสบายจมื่นเต้าหกมื่นทรงเมื อ, อ, ắn, อ ào, งตนบุญเรืองไปรอดก็เข้าจอดศาลาตัดคนไปมาเขาออกอยู่ไปนอกปุรีสวนนั่งมัดทีน้อยนาดก่อเจ็ดพระบาทพวกวันสองมือพันวดกันเจ้าเจียงจันบุญมีหายเครื่องขีตีเมื่อยหายเน็ดเหนื่อยเตียวตาง ทัดนั่นงน า, าน้ายก่อข้าดิ้งไข่กฎหมายว่ากวนหือยิ่งใจเจตระรู้โอกาสขีญยานสามีกาเป็นเจ้าใดไตเต้ามาเติงนางร่ำเปลงเกิดแล้วก็กาดแก้วภายพันธ์รีบเร็วปั้นถอยออกไปสู่น อ, อกศาลาตัดกองตาตีหมออันคนพอหลิงหันก็มีหันและนะ ในกาลนั่นจุมยิงเจ้าเจตรชดันยญ่บาทมากายหันชมชายแกไทา ย, ยืนอยู่ใกลศาลาเขาก็มาแวดล้อมแหนแห่อมเป็นปริวานก็มีหันแลยนะตอมาถังประกาศเส้นตัวศรัทธาอาศรัทธาสักปัญญูยอย่าซอยหันบาดถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตสนาวาเตเจติโยปริกริงสู้ดังนี้เป็นตนพิงคาเวดูราภิกุตั้งหลายจุมยิงใจเจตราตได้หันนางนาดมัทีผู้มีวันนาดีใส่สองมาจากหองเบื้องไกลเขามีใจเร่งร่อนแล่นไปตอนเจียนจาวาคาแดแม่ า, าเเมญะเป็นเจ้า สันได้เต่าตนเดียวเดินดงเขียวดันสอดพดมารอดเดียวได้จ้างปังปลายมาขี่ชัดแกวกี่บังบนทั้งรีปน้อยใหญ่ใดละไว้เสียไหนเป็นสันได้พระบาทได้ก้อยกาดเดียวมานังก็จะบอกกาวือรู้ข่าวตามีจุมนารีมวนหมูร้อนบะบูเหลือใจแล้วเร็วไว้ไปไว ซึ่งเต่าไทยหกหมื่นเผ่าองเต่าตั้งคงรู้ข่าวก่อฟังเฝ้าหมาปันหลวดเอากันร้องให้อยู่ตีไก่หนอโพธิญาณก็มีหันแลนาตมามถังประกาศเซนโตศรัทธาศราาัทธาสัพพัญญูตนเป็นครูแก่โลกันอาโพกบาลีอันยังมีไปแจงพระจริงแสงเตสนา ว่าตังติดจ่าเจตาปามโมโคดังนี้เป็นตนเพคาเวดุราภิกุตั้งหลายอันว่าสายคัติญาจัดคือเต้าเจตาราตังมวนฟังคำคกำกวนศกไม่ก็ร้องให้ทุนสาวาค่าเดมาราจเจ้า ตนเป็นปิน่นเก่าผาจาอันวาสะาวะหาเปียธิบดอดยยังมีแก่เตา้าไทยบุญเรืองพระนางเมืองแม่ไทยกับป่อตีววยสนใจยังสุขใจบ่าขาดบ่มีพาญาตเบียนขี้เจ้าสี่ปีในนอกอยังก้อยออกสวยไรยจะรือ มาจะใดควรขี่มาแก้วตีเตียมอานโยทาหานอาจกาไปก่อนนาเดิมออนตอนผู้ทอนยศใหญ่ใดละไว้เสียไหนหรือจอมไต้เป็นเจ้าได้ภาพเขาสงฆามเต้าอึนลามเอาใดจริงละไว้นี่มาเจรือ เมื่อนั่นพระมหาสั์เจ้าตนวิเศษจักบอกเหตุขีญะจริงกก่าวกาถาว่ากุศลัเจวาเมสัมมาดังนี้เป็นต้น <c oughs> ว่าดูราตันตั้งหลายเฮยเรานี่หาเปียธิ บ, บ, บ, บ, บ่ได้บ่เมื่อใครหนาวไหนสองใสใจปอ่อแมมอันอยู่แต่ปุริก็สุขดีจื่นจ จุมไผ่หน่อยเสนาตั้งพระจ้าไผฟฟาพร้อมทวนนาสัสดีตะวารานี่มีใจกว้างได้ือจ้างเป็นตาลคือจ้างเจียงคานเพื่อกแกว้วงามเลิศแล้วคนใส่ตัวมีใจบ่ายานบ่าสาตานทรงคลามสองงางงา ม, งามสาว่างอันเป็นจ้างมงคลเกิดกับตนแต่ใส เรายกไฮห้่อตาลแก่พลัมมานาจา์เ จ, จ, จ้าจ่าเจ้ากาลิงกะราดดีลีเจ้าสี่ปีโคตใหญ่มาขาบับไม่ทุนศาสยังพญาตนป่อวา่าจักลมหล่อปุรีจำเราหนีเจียนจากเราจริงพากเหมืองมาเราจักดาเตียวไตไปสู่ดอยใหญ่วงก้นกิรีแทมปารมีเอกวาง คกือกสร้างปั้เป่งทมจุงไข่กั๊มบอกกาวือรู้ดาวตั้งไปเจ้าห่อใจหกหมื่นย่อมือยืนทุนสาวาค่าแด่มหาราชเจ้าข้าหนุ่มเทาตั้งหลายได้กดหมายรูรอดขันิงสอดปิจารณาว่าขีญยาอันมาสู่ดาวแห่งตันเต้าตนบนย่อมเป็นกุญใจจ้า แก่ผู้ค้าตั้งหลายผู้ข้าขอท้าวัยพระเตสุดเสียงเขตเจตรารปราคอมมหาราชเ จ, าจา้าอยู่เป็นเกา้าเสวยเมืองอันหนึ่งขอเจริญเต้าบุญเรื่องเป็นเจ้าจึงเสงวยเข้าพจานะอาหารมีรถไหลภากาันต่างๆอันปอขวัวจางดังดา เป็นเครื่องปูจาแขกแก้วจุงรับแล้วดาสเวยแดเตอร์ตองสุตว่ามหาสัตโตอันว่ามหาสัตเจ้าตนผ่านแผวได้ยินแล้วจริงเจียนจาวาปติกาให้ตั้งยังตินนังดังนี้เป็นต้น ว่าเครื่องปูจ้าหลายอย่างอันสู้างตามมีกูยินดีจูยย้เนียงอันเป็นเครื่องรสละลายตาวะากำสูไมยบอกกาวคอเป็นเตาวว้าเบวยเมืองนาก่อนเรื่องเจตรารดกูเหมา อ, อาจรับใดย้อนเตา้าไทยพิตาตั้งพระจาไผฟฟาือกูภาหนาเตียวมา กูเต่จาจักดาเตียวไตเขาป่าไม้กระเซมใจฝ่ยายเจ้าหอใจเจตรารัดซ้ำโอกาสทุนสาวาพิวาพระผู้บันปิน่นเก่าบ่กมักเขาเสวยเมืองขอพระบุญเรื่องอยู่ทา จุ่มตูคาตั้งหลายจักไปทวายน้อมไบพระปะทัยสันใจฮืออดใจหายโตก ด, ดับกําโคตรเครื่องขีแห่งเจ้าสี่ปีน้อยใหญ่ฮือวอดไข้สูญหายแลออกคาตั้งหลายหนุ่มเทาจักไปส่งเจ้าบุญเรื่องขึ้นเมืองเมืองเสวยราดเป็นเต้าอาดเหมือนหลังเจ้ะแลนะนา ลระมหาสัจเจ้าตนภาพดาวฟังหกหมืนเต้าทุนสาจริงเจียนจาตอบเล่าว่ามาโวรู้จิตทาก็มานังดังนี้เป็นตนว่าดุราพญาตั้งลายยาคึดหมายจื่นสูว่าจักไปสู่เวียงใจกำสู่ใครเป็นแก่นก็หักแม่นกำดีเต้าว่าเจ้าสี่ปีไพ่ฟ้า เตียงหลาบซาแตงฟันยังจอมพันพ่อเจ้าย้อนฮือลูกเตาขึ้นไปเจ้าห่อใจป่อไทยก็บอกเป็นใหญ่ในเมืองกำสู่เครื่องไม่เอาใครบอกเล่าจะถวายเราบอกหมายรับได้จะเขา้าป่าไมา้สันเดียวสู่จุงเรียวเกาโอ้เฮือได้รู้ตั้งไปแดเตอ ยาำนั่นเต้าพระญาหกหมื่นจากได้จืนจมบ้านกับหนอปุที่ญาณเจ้าฟ้าบ่ล่ากว่าขืนเดียวจริงเร็วปัดกว่าตั้งเครื่องราดอาสนะพระดับศาลาพร้อมไข้เหือเบียนได้เร็วปันแล้วปักกันอยู่เฝ้าทาราบต่อเต้าเสียงไร้ทีก็มีหันแลนะ กันวันลูนรุงเจ้าโปที่ซั์เจ้าตนวิเศษก็อับองส่งเกตเกสีสะเบยโฟจนะสาลีหอมหื่นมีภาญาหกหมื่นเป็นปริวานก็กคำนณการไต้เต่าเข้าสู่ป่าเศาดงไพรเสียงตั้งไก่นักโสดได้สิบหาโยธกันดา ตาอ๋อผาญ่าน้อยใหญ่จริงไปรอดพระตัวป่าไม้หิมมาฟานตั้งดงดานปลายนาบุญดันป่าดงไพรยังแถมไก่แต่โสดสิบหาโยสันเดียวจริงจักเตียวไปรอดบงกุดยอดกิรีอันหนอมูนีนยดใหญ่จักเตียวไต่ไปหา ตาอภาญาเจตรชจักโอกาสทุนสาฮือมหาสัจเจ้ารู้เงินเก้าตั้งไปจริงจักไขโอกาสเป็นบทบาทคาถาว่าตะคะเตมาญมักขามาดังนี้เป็นเก้าว่าคาแดเจ้าจอมไทยหน่ตั้งไปปลายนาจักเข้าป่าหิมมาปาน มีอาการไก่มากอันเต้าหากพระสงค์จกไปท้ารงส ม, มณเปรตเป็นเจ้าวิเศษราศีจุงลัดดงรีน้อยใหญ่คือวันไขจดเจียไปตั้งเหนือจุ้ยวันออกเกลียบข้างคอกตินดอย ไก่จ่อยวอยข้าดาดดอยนั่นดาดด้วยหินจื่อกันถ้ามาตันนาปูนพองามแท้นอเลือใจทัดนั่นไก่บวน้อยเจ้าหยอดซอยจักหันดยสุงจันลูกใหญ่มีจือไว้ว่าวีปุนละกิรีต้นไม่มีหลายแหลดอกบานแผ่ลายสีกันถ้ามีมาเต้าหอมรถเร้าเอาใจทัดนั่นไปจะรำจักหันแม่น้ำจืเกตุมมะ น, น้ำใส่ดีกวรอาบมีตีราเปียงงามสัตาลลามอยู่น้ำมีพ้อมผัมปูปาเล่นไปมสาสะสูมีเป็นหมูลงไหลกันสนบุญไผ่หนอแก้วไปรอดแล้วตามกำกวนลงดำอาบเกาและฮือหน่อเ น, น่ามัดที่กับสองสริลูกแก้วได้อาบแล้วเย็นใจ ทัดนั้นไปแถมเหล่าเต้าเป็นเจ้าจอมควันจักได้หันตนไม้คือนิโคดใหญ่ใบบานมีลูกลานลมกว้างอยู่ที่จิมค้างตั้งไปก้อยกะไก่ไปนาพระเจ้าฟ้าจักหันยังดอยจันทร์สูงใหญ่มีจิ๋วไม้วันนาลิกะกิรี หมูนกมีน้อยใหญ่แปลงรังไข่จอมกันร้องตั้งวันสาแซ้อกันคำแล้วดานอนมีกินนารีกินนาร้อนเสพซังเต <c oughs> ีป่ากวางกางร้อยไก่ใจว อ, อยไปนาตนเจ้าฟ้าจอมทันจักได้หันสาละกวางมีจ่ อ, อ้างว่ามุดจลิน ปูนดีอาบกินแต่ไซมีดอกไม้เหลือลายคือดอกป้านยายสะพูจังก่อนอยู่สนซานดอกบัวบานหมากเต้าหอมรดเร้าเอาใจทะลบไฟถั่วดาวแต่นันเต้าจักคันยังคุณน้ำอันป่นอาบตาลงราบงามดีต้นไม่มีลายมูพองดอกสะพูดูงาม พ่องลูกจ้ามเต็มค่าผู้ใดยังว่าพระทรงกินอยู่บนดินบิดเอาใดห ม, มู่ต้นไม้ลายลามพ่อเขียวงามเต็มป่าดังเมฆฟา้าไปบนพอลงหอนไปต่ำยาแพทย่ำบ่ ถ, ถึงดินพละนรินยอดซอยจักได้หันนกใหญ่นอ้ยยนอยนานาบินไปมาหาเหยื่อมีจูเมือ่อย้ำบ่นกันผายพันจกักหันทักแต่นั้นเตียวไป เจ้าจอมไตรตีไว้จักหันสระใไ่โบกคารณีอันงามดีป้นแปงมีสีแจงสะเมื่อกันปูนดีพันอาเลลนสั์น้ำเต็นไปมา คกือป่าฝ่าเต่าน้ำสัตว์อื่นทัมหลผักการดอกบัวบานลายหมูดอกป้านกูจังกอนพักตบซ้อนไข่ากาลลมพัดสานหอมไก่ไม่ใหญ่ๆเป็นหมูไม่ไข่ไม่กุ้มไม่กุมอยู่เป็นสาย ไม่อย่างไปคักหมอกเต็มข้างขอกซาสีกันตนบุญมีหนออแก้วไปรอดแล้วดีงามจุงสางอารามตีไกในแดนไม่จดเกื่อตีสะเหนือจ้วยวันออกแห่งข้างขอกโบกกรณีแล้วบวชเป็นจีอยู่สร้างตามไฟอ้างผาธนาจุมภาลาลายหลากหาบวยากป๋อฉันเลยนะ เอวังเจตราชโนจุมพญาเจตรารกันโอกาสจะใครบอกต่างไปเมียนจอดเธอเต้าหยอดบุญมีโ <c oughs> ดยรู้ดีแจ้งที่บอกมีตีสังกาซ้ำปึกษากันเล่า ว, ว่าแม่นข้าสึกเก่าเดิมมาแห่งพญาเวทสันตราราดอันห้าวหาดยังมี เขารู้ดีได้ข่าวว่าตั้มาอยู่ดาวดงนาเตียงเ ต, ตียวมาคำค า, าือความนามารากวนเราดาแต่งไว้ยังพลยาดญ่ใจหาน ร, รู้ดงดานป่าเศรเืออยู่เฝ้าเหล่งดูยังพระตัวป่าไม่อาจยาใสตกปันกันมันหันแจ้งทีไพ่ลำตีพดมา เออมันดานาไม่วาธนุใสเอาตายกวนจักและนะจุมพญาเจตาราชก็เรียกพรานเจตบุตรผู้ฉลาดเดินดงว่าดูราพรานผู้ทารงเครื่องเก้าตันจุงเฝ้าเล็งดู ยังพ้าตัวป่าไมตังเตียวไต้พระสนอยาคือคนไปหนอกเตียวเข้าออกไปมาคนใดนะหาหัดหท้าจักลวงดาวเตียวไปต้านจุงไว้อย่าไวา้ยิงธนูใสเอาไตายแดเตอต์จนว่าจ่าสั่งแล้วก่อลาเต้านอกแก้วขึ้นมามีน้ำตาไหลออกร่องให้ปอกขึ้นเมืองก็มีฮันแลลนาะ ซาซามิงคาเดในคานั้นอันว่าพระมหาสัจเจ้าโก็ไต่เต้าตามตางในดงขวางป่าไม่ไปรอดโดยใหญ่จีกันถ้ามาตนากิรีถึงยามดีดาคำสีเต้าพัมรวยแรงเตียวบ่อแข่งหิวหอดก่อนยังจอดเสานอนกลางดงดอนป่ากว้างที่จิมข้างดอยภา กันแจ้งมารุงแล้วก่อกาดแก้วเตี่ยวไปลัดดงไผ่จะใจจริงรอดโดอยใหญ่ชื่อเวปุลาคิรีทันั้นมีปลายนา สี่เจ้าฝ่าผู้บ้านเตียวไปนานจะร่ำก็รอดแม่นำ้ำเจือเกตุ ม, มาตินาติน้ำใส่ดีสะอาดสี่เต้าราดกะสัทธรา ก, ก่อนยังสะเว่ยพจนาลายสิ่งน้ำพึ่งยิ่งหอมหวาน <c oughs> อันนายพรานผู้นึ่งใสหากน้อมไหวโย้าวายตนบุญภัยเป็นเจ้าก็ถอดปินเก้าคำแดง <c oughs> เป็นของแป้งก้าใหญ่โยกยืนไฮไหนพลานแล้วสีผู้บานเจ้าฟ้าก็ลงสู่ตานาติทรงเกษีเกตเกาแล้วไ ต, ต, ต่เ้าเตียวไปเสียงตั้งไก่บ่อหอดจิงรอตนนี่โคลดลุกขามีฉายารมกวางตีจิมคางหนนตั้งสีบุญขางยั่งจอดฮือหิวหอดไม่หาย แล้วพันพายจากหันไกจากนั้นจอยวอยก็ถึงดอยใหญ่กว้างมีจี อ, อ้างวานาลิกะกิรีแต่นั่นมีไปนาสี่เจ้าฟ้าพายพันก่อไปหันสละใหญ่มีจไว่วาวมุดเจลินพระผู้มินเจ้าจ้างก็เลียบไปค้างหนเรือจุ้ยวันออก ตามเต้าเจตาราตั้งหลายหากบอกไครปันก็มีหันและนะตาสาบิงคาเนในขณะนั้นอันว่าหินปันดูกรรมปละศีละอาจแห่งเต้าที่ราดอินตา ปะกะติมาแต่ก่อนเทียนย่อมอ่อนสุขุมานกอบันดานร้อนไหมเตปป้าไทยคุณสวรรค์ก็เดวปันบ่จ้าเล็งพอ่อนาจุมปู ข้อหันหนอสั ป, ปัญญูบุนกวางสเสด็จออกสร้างปะะ่าระมีธรรมจริงเรียกวิสุกรรมมาแล้วเต้าตนแกว้วจริงเชียนจาวาดูราวิสุกรรมตนชาลาดตั้นจุงไปในระวิอาวั ส, าวาสาลา กลางดงนาป่าไม้เอเต้าวไทยผู้บ้านได้สำรานยั่งอยู่แล้วรีบปอกสู่เมืองบนบิดสุกรรมตนองอาจก็รีบหยาดลงมาเนรมิตศาลาตีอยู่ตั้งแก้วกูจงขมกวนอาพิรมใจจ้าพร้อมทวนนาเร็วปันมีจู่อันดอกไม้ที่จิมไกศาลา ตั้งอํปาปากยอ้อยต้นใหญ่น้อยลายพระการตั้งปริคันพระนวดคือเรื่องบวชเป็นจี้ลายลักมีบอกไว้แต้มลงใส่ติดฟาว่าคนใดนาไข่บวชสร้างพระนวดเป็นจีจุงเอาเขื่องราษีนิสัยตกแต่งใจตามธรรมกันวิสุกรรมแต่งแล้วก็ไหลเสือแผวเสื้อเห ล, ลืองสัตตัวเครื่องย่าปราย คืขอขคดคข่ยนี่ไปอยู่แดนไกลต่างดาวห่างจากเต้าสามโยดเป็นไมยฮื้อนกตั้งลายหมืนหมูม่อันมีอยู่ดงดานร้องคับขานตอบทองเสียงมีกองวอนหูฮื้อมาจูตีไก่แดนเต้าไทยปั่เป่งรมแล้ววิสุกรรมตนองอาจก่อไว้วาดถอยโหน ขึ้นเมืองบนจันฟ้าโคงแหลงลาตาวะติงสาก็มีหันแลลนาตาตาในกาละนั้นอันว่าปูที่สั์ตนผ่านแถวไปรอดกูแกวสาลาเล็งไปมาพ้อมข่ก็หันใสหลายสารเต้าผู้บ้านที่ราดก็รู้ขวาดสัญญา ว่าคนอินตาเตปไทยหาคือแต่งไว้ปั่นตนหนอตั้นสะปนบ่จ้าป่งยังพากาดีพื้นกาดียิ่งแล้วตั้งดาบแกวสะลีกันใจยินมีใจจินยาวละเครื่องตเต้าเจียงคานถือเอาปริคานเครื่องบวชสมาตาลแล้วลวดเป็นจีตามปเวณีแต่ก่อนบอหือผ่อนตามทม ตนองค้ำบวชแล้วใจพ่องแผ่วเจยบ้านจริงไขอูตานก่าวถอยเป็นบาดซอยบาลีว่าอโหสุขังวะโอ้ยนอขีญยาอันบวชนี่นะานี่เล่าสุขมากเต้าเลือล้ายแต่และนะว่าอันก็มีหันและนะา ตาตาในกาละนั่นดังมัททีน่อเนาหันเต้าเจ้าเป็นราศีก่ออัญจุรีไว้ขาบน้ำตาอาบลำไหลย้อนมีใจจมจืนปีติตื่นเดือลายตนบุญนภายบวดแล้วก่อเือนางแก้วมัททีเป็นราศีนี้แถมเราตั้งลูกเต้าสองขา ก็เือปัมประจาพระนวดคือฮบวดเป็นจีตอมีหั่นแลยนะส่วนนางแะนะนานก้วราจาหมัดที่ก็ขอป้อนดีบ่เศร้าซึ่งโพธิสัตเจ้ามุนนาวาข้าแด่มหาร า, าชเจ้า ตอนเป็นปินเก่าสายใจแต่นี่ไปไปนาขอเจ้าอย่าว่าจากไปใน ด, ดงไผป่าไม้จุงอยู่ไกลแป้งปั้นยังสองจำควันพี่น้องหืออยู่ห้องศาลาข้าจากไปหาซอไซยังลูกไม้หัวมันหือขุนทันเป็นเจ้ากับลูกเต่าตั้งสองคนตามไรสนตีไก่บออ่ฮือได้เครื่องกา พระมหาสัจเจาก็ตอบเล่าว่าดีๆแล้วใครว่าตีต่อถอยว่าดูระนังยอดซอยโซภาจุงฟังกำจ่าแห่งปีอันจากจี้จากใครแต่นี่ไปไปนาเราได้จีว่าเป็นจีย้ำบอดีเมืดคคำนังอย่าพรำเตีวมาสู่ศาลาแก้วกูอันปีอยู่นอนใน นักผาดไข่แต่ไทยฮือรูไข่กฎหมายว่ามาตุกามตั้งหลายนี่สดย่อมฮือเป็นโจรแก่พรห ม, มจรรยญกรมปามัวดำมนเศา้าเหตุนั้นน้องเนามดที่จุงค้านิ่งดีสอดรู้ว่ากวรมาสู่วนยาำใดส่วนย่ำไหนนั่นใส่เป็นย่ำไปกวรมา นางโสพาหยดสอยกอตอบถอยวาตีวะสาธุดีดีและหวานก็มีหันแะนาแต่นั่นไปเป็นเก้าโปธที่ตั์เจ้าบุญมีอยู่ดงรีป่ากวางปั้เปลสงสางสามณนธรรมสัดนันนำน้อยใหญ่อยู่ป่าไมดงไพร แต่สาลาไปสัมโยตบ่ไร่โหดเบียนกันรักแป้งปันจืนสูลาเล่นอยู่ไปมาย้อนเมตตาแผ่กว้างแห่งพระเจ้าจ้างบุญมีส่วนราชามัทธีหน่อเนากันรุงเจ้าดีงามก็กวาดอารามอาวาตรือสะอาดงามตาไปตักน้ำมาตั้งไว้กับตังไม้สีฟัน แล้วอุ้มสองจอมควันลูกเตาไปฝากป่อเจ้าราสีจริงถือคดเช่าดีเสียมบองเข้าสู่ห้องดงตันหาหัวมันหน่วยไม่กันหาได้แล้วนำมาสู่ศาลายามคำแล้วอับนำสะสงแกสององลูกแก้วกันเบียนแล้วงามดีเตาราสีตั้งสี่มาความตีจอมกัน กันฉันลูกไม้ตีจิ้มไก่พ้าตูปันนาสาลาต่างเจียร์จ่าตานถูกพ่อแม่ลูกจอมกันกันว่าฉันอิ่มแล้วนังนอกแก้วรา จ, จะมาทีกอป้าสองสรีปีน้องไปสู่ห้องแดนตนหนอพระทศพลผ่านแผวนนังนอกแก้วมาทีกับสองสรีลูกเต้า เลี่ยงชีวิตเราเป็นไปได้ดงไพรปล่าไหมดังนี้จะใจตั้งวันก็มีด้วยพระการดังกก่ามานี้และนาวนาปเวสนาคันดังนิดที่ตังขียาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุวันนระเวอันระดัพระดาด้วยกาถาวา่าใด หาสิบเจ็ดก้าทาก่อบังกุมสมเร็ษเส็จแล้วเตานี้ก่อนแล